น้มเบลพระภูมิพระค่าพระหัตถะส ม, มาสัมพุทุเจ้าพระองค์นั้นเมื่อโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรร ม, มะไปในตัวด้วยต้งปฏิบัตินั้นคือว่าก า, การกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงชี้แจงแสดงไว้ คนพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันที่พระองค์จะได้ปรับสลูปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาคือวานนั่งขัดสมาธิเอ็ดคือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขา ข, าขวาขึ้นมทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย เมื่อพระองค์งคัดสมาธิเสร็จเรีดร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตคำถามในจิตใจของพระองค์ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายยังให้ด้ตรัสรสุูเชิงจักรุษิรืเป็นจุดใหญ่สำคัญถ้งหากว่าไม่ได้ปรับสลู ก็จะไม่ลดไปมาในที่ดใดทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี่ให้เป็นที่ตายพูดใจง่าอย่างนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าตั้งสั์จากอาถิฐานลงไปว่าจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสกิเลธราคะโทสะโมหะสังาะมารกิเลสนั้นอะไรทั้งหมด ไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมดเม่อลวดเมื่อผั้ใครจะเหยีดแห้งไปเหลือแตหนังหื่งกระดูกก็ตามทีจะนม่ลุกหนูจากการนึ่งสมาธิภาวนาที่เป็นอันคขาดตัวผู้จะได้ปัดสุบัเป็นสัจธรรสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้คือสัมพุทธเจ้าควรจะได้ตัจ จากที่เลือปันหามานะัก ท, ทีิในโลกมีขาดลงไปได้นั้นมีจิตใจอันสูงส่งแม่แม่มั่นคงที่สุดเมื่อเบ็ดขาดลงไปต้องมีความท่อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดรวบรวนกำลังจิตกำลังใจของพระองเป้นที่ บอกกับใจสิงโตเมื่อองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลวกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนาพระองค์ก็กาหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดเรนี้มันผ่านเข้าไปโซตเข้าไปเลี้ยงร่างกาย ก็ผ่านดวงใจเข้าไปเมื่ลมออกมาก็ผ่านดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือจิตผู้รู้อยู่เรืเององตั้งสติและลุกจนที่ใจก็มนั่นของไม่ต่อยปากละเลยเหมือนตะเกาว่าองค์ทำสำคัญโยนี่เป็นลมหายใจเข้านี่เป็นลมหายใจออก อยู่ทุกเวลาไม่จุดคิดเพ่งสานไปที่อื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์จดจ่ออยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์ตั้งรอนระวังรักษาตั้งใจกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกเพื่อเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวัวไม่ให้จิตไปอย่างจิตใจธรรมดา บูอํนนาพละกำลังในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทำจริงเอาจริงเมื่าในคณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็กำหนดมรณะภัยคือความตายใบ้ด้วยของเราพกคนพระองค์เองก็เหมือนกันถ้าลมหายใจนี้ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย หรือหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจไปปิดขัดเข้าออกมาไม่ได้ก็ตายเมื่องคณะเดียวทา่านั้นก็ไม่ถึงความตายที่จะมาถึงองค์ของท่านแม่แม่มั่นคงใจไม่หลงไหลไม่ลืมไม่ขาดสติสมประบัญญาเมื่อพระทายใจพระพุทิเจ้าก็สงบังับ ตรอคการิกาสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิที่ว่าจุดสงบตั้งมัน่นไม่ออกไป่ายเนอะจุดใจดวงผู้รู้อยู่่ยมั่นคงลงไปในสิตใจของพระองค์จริงๆทุกลมเข้าทุกลมบอกไม่ประมาโมัวมาเอาจริงที่เดียว เมือ่อจิตใจแน่นคงหนักแน่นไม่เลอเลลังเลสงสัยแล้วพระองค์ก็กำหนดลูกนามกายใจนี่แหละว่านา ม, มารูปังอนิจังนามเลยลูกกายใจนี้ไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรเที่ยงทั้งกายทั้งจิตหรือตลอดในโลกนี้จะเป็นผืนคำนดินทอด้อปานดงดูเขา ดวงพระพุประจัาที่อยู่ในโลกอันนี่ก็ไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อหมดอายุขัยของแต่ ล, ละอย่างละอย่างก็ลงโทษความไม่เที่ยงความเ็นทุกความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดข้างนั้นเมื่อพระองค์มากำหนดกายวาจาจิตของพระองค์ เห็นเช้งในหลักธรรมจังถุกขังอนาตาเกิดขึ้นด้วยยามด้วยปัญญาอันวิเศษกละกิเลตตับกิเลตความกอดความโลภความหลงได้เด็ดขาดยุดใจของพระองค์ก็ไม่มายึดนม่ถือตาไม่มายึดตัวถือจนยึดเรายึดของของเราหยุดต่อไปมน พุทธเจ้าได้ปรัชลุพระโพธิญาณแบ่งปรัชลุพระณิสประสัมมาสัมโพธิญาณต้นสัพพันยูพุทธะอย่าลมรู้แจ้งโลกรูร้แจ้ ง, ง, ง, ง, งธรรมหย <c oughs> ุดอาหยิดาตัญหามัวเมาอยู่ในโลกมี้โลกนาโลกไหนก็ไม่มีไหนน้ำฝาดใจพระพุทธเจ้า รู้ได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วปราศรูปเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพระองค์ถึงแล้วชื่นความพ้นทุกข์ถึงนิพพานน้ำสบายใจพระองค์ไม่หวั่นไหวมีลมสังขารไม่มก็ไม่มาทําให้พระองค์ได้เดือดร้อนต่อไปอีก นั่นมาจากเชื่อ์นื่งสมาธิภาวนาแมือพวกเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติบูชาเนื่งสมาธิภาวนาจนกว่าจิตใจจะได้สำเร็จมัรคผลถึงสิงนิุพานถ้ายังไม่เห็นเครื้องิันานด้วยตนเองนจะหยุดอยู่ไม่ได้ จะต้องบวมตึงตึงจะต้องนั่สมาธิภาวนาทางรูปหลังกายไม่ว่าหลาังกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปมาที่ไห น, นก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปจนสมาธิใจจะได้ตั้งรู้ตั้งมัน่นเห็นแก่ในธรรมะปฏิบัติเห็นแก่ในหลักอนดีจรงทุกของอังอนัตตา จริงๆไม่ใช่เพียงเราจาฟังกันเท่านี้ตงความทำในใจให้แย้งกระจัดจนเลิกไะตัดตอาวางที่เลกความกดได้เด็ดขาดที่เลความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดที่เลกความหลงในใจนั้นได้เด็ดาด เมื่อชาวโกทั้งหลายได้ฟังธรรมคำสอนจากพุทธเจ้ทาทำตามที่พระองค์ทรงตัดมีปัญจวัคคีท้งห้าตุจึงได้สำรวจมรรคผลจะเบิงขันธ์ทางแห่ถึงโลกเวทนาสัญญาสังขารยินยานว่าไม่เที่ยง เ, เป็นท <c oughs> ุกขเป็นอัตตาไม่ควรหยุดนั่นงเติ ในข้าใบหนันเลราหน้าในตาในตัวในตนนี้ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยยุดมาหลงยุดเอาถือเอาความสุความทุกข์มันตั้งกิดมีขึ้นมนูลกห่างตายสังขารนี้ความหลงความไม่รู้เมื่อพระอง์รู้แล้วเข้าใจแล้ว น, นันมาสอนสาวสาสาายโยชาสัทตาญาโยมทั่วไป ท่านบนบาลังกำลังจิตใจพอจะรู้ได้เข้าใจไม่เลวกว่าคริหัสและบันณฑคุตในสมัย่องพุทกานุ่นท่านไดบ้บรรลุมกคนเป็นพระโสุบาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนนาคาเป็นพระอาราหันตาสุดยอดช่วงสมัยมนีนมรคนนี้ทานจริลลุ่งเรื่อง ไม่เหมือนยุคเราสมัยเราที่มาเกิดนี้แม้ว่าสมัยท่านเจริญด้วยความสุขจิตสุขใจจิตใจไม่มีความโกรธก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความโลภก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความหลงไปตามอํานาจกิเลสลาภโตฌโมหะก็เป็นสุขยอดโลกนว่าสูงสุดแห่งความสุขทั้งหลาย การเริมภาวนาในทางพุทธศาสนนี้ยันมีจุดหมายอยู่ที่ทรงนี้เมื่อเรียนทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าถึงแปดหมืสี่พันพระธรรมบจบถ้าไม่มาปฏิบัติภาวนาและกิเลสในใจของตัวเองก็ยังลู่ล่วงเวลาอยู่นั่นแหละ ต่ว น, นพระศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวิ น, นัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้จนจะเข้าใจในพระพุทธศาสานาเพราะว่าพระพุทธศาสาานานั้นถ้าหากว่าไม่เลิศาสดาสัมนาสัมพุทธเจ้ามาปรทะท้วงเสียก่อน เมืม่อนิพพเจวดาอินชงคนทั้งโลกก็ไม่มีใครสามีที่จะยกเบิกเอสู่นิพพานละเพราะว่าที่โลกดังหามารนณะิถุขของสัตว์โลกนั้นมันยกวายที่วายทก่วายมาวายไม่ไปที่ไหนไปไม่ได้เมื่อเราฟังธรรมคำสอนของสัตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย เม่ว่าหญิงชายครหาจนมาปลูกท่านมีนิ่งนอนใจลุกขึ้นจะเล่นภาวนาไม่หลงไหลยอยู่ในความสุขความทุกข์อันเปนธรรมดาโลกนี้ท่านลุกขึ้นภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่นจนที่ภานาเห็นแก่ในหลักธนิมใจทุครั้งองนาตา ละที่ลกความโกรธความโลกความหลงหมดทิ้งไปเหมื่อสุตติจ้าเข้าสู่นาฏผ่านได้นั้นละเป็นสุดยอดแห่งสุตติาศาสตร์สุดยอดแหงการภาวนาถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้เลยก็โดยตัวยังไม่เป็นสาวของสุตติจ้าแม้จะบวยดก็บวย ด, วดเพียงแต่ว่า เป็นสมสมมติให้เป็นพระแต่จิตมันยังใน่เป็นพระจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่คนนี้เมื่อใดตัวเองค์ตั้งใจทำว่าจิตใจนี้ให้บริสุทธิ์สงไสัสะอาดจากมุ่งกินโทษได้ด้วยสติปัญญาวิดชาความรู้ภายในนั้นจึงจะเข้าถึงพุทธรรงคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง โดวยวไม่มีความสงสัยในทานในซีวิตในชาวนาเมื่ไม่มีความสงสัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อวันทูนบวนปู่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนหน้าเตาทานเดียว ตั้งจังบริกรรมภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจึงกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกเพภาวนาได้มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมองพระทัยใจพระสาวกใจในทางพุทธศาสนาทมให้ลูกเร่งล่งภาวนาปฏิบัติบูชา ร่วมได้สำหรับนักฝนเป็นเพื่อนพระบุตรตามพระเดชพระพุทติจ้าจึงจะได้เป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาจึ็ศาสนาทาีทา่รู้ไม่ใช่ผู้หลงเมื่อเข้าถึงได้ละกิเลดลาภโทสะเมือหาของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปจึงจะเป็นผู้เกิดสมจณ์ ไม่มีความลังเลยสงสัยจากการใดทาำให้ว่าผู้ปฏุบัติทันให้ถึงสุดเยอะคือว่อนเลอะกีเลตตัดกีเลตจนหมดแล้วมันก็หมดเรื่องที่เราทันเวอร์ปฏิบัติเยอะมันยังไม่จบลืมเรื่องกี่เลตมันเยอะเยอะที่จะให้ลุ่มหลงงัวเมาติดข้องตัวทันอยู่มันยังไม่จอยไม่ว่า ยังจำเปทุกๆคนที่ไดกเกิเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานมาจะไม่โด้พบองค์ศาสนาสัจุติเจ้าก็ตามแต่ว่าภายใน 5,400 ปีนี้สัจุติเจ้าทรงตัดวางศาสตราสนาของพระองค์ไว้ให้มนุษย์คนหล่าท้องด้วยเทวบาลิสูต ถราพุท ป, ปฏิบัติเลิกไละกิเ ล, ลสเลในจิตในใจของตนได้ถ้าทําตามปฏิบัติตามเมื่อก่อนแม่พี่ทําตามปฏิบัติตามเ็ว่าให้แม่สมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าประมาณเมื่อเป็นเวลานหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทําไม่ปฏิบัติ ทางที่จะเปนไปก็คือทางภายในไม่ใช่ทางภายนอกทางในตัวใจเรากนหนึ่งยึดก็ฟูโลู่เรียนฟอได้ยินได้ฟังอยู่ยึดดวงฟูโล่ได้ยินได้ฟังอะไอยู่ฟัให้รวมจิตใจเข้าไปตั้งให้มั่นเ้าให้จริงในจิตใจแล้วจึงจะเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามความเป็นจริงไม่ใชว่าคิดเดาเอาหมายเอาตามสั้งอ่างอารมณ์ต้องทำต้องปฏิบัติต้องลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตตัวเราทุกคนเนีย่ยจะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาข้อแรกข้อต่อ น, น้าก็พุทโธมาไม่หลักอนจิจจงทุกขังแต่ให้จิตใจนีรู้เข้าใจว่า อะไรอะไรทั้งหมดมีใสปของเหล่าเปของโลกเขาที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่จริงถ้าคนเราถ้าที่เรณนาดูานจริงเนี่ยต้องจะเกิดจนเกิดต้งจะเกิดจนตายมันหาความสุขสบายไม่ค่อยได้คนเรานี่วัยเป็นเด็กเป็หนุ่มก็ไม่หมายว่าให้ถึงวัยเกริวัยฉลาดเช่นก่อนจึงจะบำเพ็ญทานหลักฐาสิงหภาวนา ท้องฟินชีวิตของคนเราไม่แน่ลอนวันนี้อาจจะเป็นวันตายเราก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นคืนตายของเราก็ได้จะเอาอะไรมาแน่นอนไดงหูดนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้ลุกขึ้นตือนขึ้นตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาให้มันเด็ดขาดลงไปไม่เลื่นหัวใจนะ พหะว่าเราตังา้งสทวณาเอาคิิดใใจให้มื่อแม่มั่นคงจริงๆิก็ว่าเราบันลุกมาผลเมื่อว่ายบใดสมัยใดเป็นไปได้เท่านั้นพอ ต, ต้องอาศัยการประกอบกระทรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในจายจริงขึ้นเพ ถ้าทำในสัตว์สาสนาคำสอนของสัพพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนานม่อภาวาบูชาเฉยแล้วก็จะได้จะบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องภาวนาในใจทั้งกาวาจาจิตก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบเมื่อน่มันคงไม่หลงไหล เมื่อใจนม่ไม่ ห, หลงไหลไปที่คิดใจไม่ทนน้ำเชื่อไม่ในธรรมะปฏิบัติเมื่อก็ปฏิบัติเดินก็ปฏิบัติเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติโดยใจโยเมื่อทำโยปฏิบัติโยอย่างนี้ผู้ว่าสาวโกโสดสาวของพระพพิติ้าผู้จะเข้าไปสู่อนุชา เกลี้างไม่ได้จะต้องทำจะต้องประกอบให้เกลี้ยงมีขึ้นมีมนุษย์วางหายใจเข้าออกเราท่านทั้งหลายยาเลืกสมารตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารลือไปซึ่งที่เราีม่มีปัญหาก็จะสาเร็จเรื่องไปได้ไม่ไกลนัก เพราะนีอว่าเ่าท่านทั้งหลายทากนได้กินได้ไฟังแล้วก็ให้กันเมืเดอจังนั้ไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รักความสดความเจริญอีวังก็มีด้วยกตาละชนีดัดทีติโนริวัฒนโตสัพพโลกะมรนัสเตมาเตาวัตะวันตาเกิ สุขีติชนิเครวางอาชีวะนานิริสิชังุตภาพจารโมวปาโรรุตนาวัฒน์อายุวันเลสคังสาลาง